เดินเชิญค่ะหลวงพ่อมาแล้ว ค, ะค่ะกับนัสการหลวงพ่อนะค ะ, ะ, ะคือคำถามของโยมเมื่อกี้โมฟังอยู่อะค่ะว่าเออเหมือนเหมือนคุณท่านใดก็จําชื่อไม่ได้แล้วค่ะที่บอกว่าเหมือนเมื่อไหร่ที่เราเราทํามันก็มีตัวเราถ้าจะไม่มีตัวเราก็คือว่าเราก็ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะทำไมโยมสรุปุกวขับตัวเองแบบนั้นเออเ อ, <า>อย่างนี้นะอย่างนี้เนาะอื จริงๆอ่ะไอ้ที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราเรียกกันเนาะเขาเรียกว่าเรียกสังขารก็ได้นะจะเรียกขัน่าก็ได้เนาะอ่านะซึ่งเราเราเรียนธรรมะเนี่ยเราเข้าใจหมดแล้วแหละ ว, ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละแต่จริงๆอ่ะไอ้ความเป็นตัวเราเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงนะแต่พอพอมันหลงหรือว่าปัญญ า, ายังไม่รอบรู้ยังไม่รู้รอบเนี่ยมันก็ยังไปยึด ยังไปยึดขันนะรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีวิญญาณก็ดียึดหมดเลยมาเป็นเราอันนี้กรณีที่ยังปัญญายังไม่ยังไม่เต็มรอบยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็ต้องยึดอยู่แต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยก็สามารถที่จะเก่าเข้าใจได้เลยว่าไม่ว่าจะพูดหรือจะคุยไม่ว่าจะมีความรู้สึกสงสัยหรือว่ารู้สึกว่ารู้แล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ถ้าไม่หลงในขันห้าเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าหลงไปเมื่อไหร่เช่น หลงไปเป็นผู้รู้เราเรียนธรรมะมีความรู้เยอะเห็นเห็นจิตเห็นไตรลัณ์เห็นนิพพานถ้ามีเราเป็นผู้เห็นอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าหลงอีกแล้วเพราะมันมีตัวตนวันะะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันต่อสังขารที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนะรู้เท่าทันว่าไอ้สิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือหลวงพ่อขอใช้เป็นคําว่าสังขารกันแล้วกันเนาะอ่ามันก็คือสังขารเนี่ยกำลังพูดก็คือเป็นสังขาร กำเสียงที่กำลังได้ยินก็เป็นสังขารความรู้สึกก็เป็นสังขารสงสัยก็เป็นสังขารไม่สงสัยเข้าใจแล้วก็เป็นสังขารมันมีแต่สังขารเท่านั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปนะเพราะนั้นสติปัญญาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญคือต้องรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะเรื่องนี้จึงเลยต้องต้องคุยต้องพูดทำไมหลวงพ่อจึงบางทีเนี่ยถามอย่างตอบอย่างก็เพราะว่าหลวงพ่อต้องการให้รู้จักคือให้รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ ว่าไอ้ที่ถามนะ่ะนะไอ้ที่ถามอะ่ะมันไม่ใช่เราถามทีนี้ผู้มีปัญญาเนี่ยพอถูกเขาเรียกว่าถูกสกัดนะถูกจี้จุดปับ๊บมันจะพลิกทันทีเลยว่าโอ้หความสงสัยมันไม่ใช่เรานี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่กําลังปรากฏเพิ่งเกิดมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะเข้าใจแล้วก็ก็จะแจ้งเลยโพร่งเลยเหมือนกับรู้สึกเมื่อวานโยมก็โดนโดนใจเหมือนกันนะเนาะเจ๊าะเลยอะนะเออตรงนั้นเนะ่ยมันจะเข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นที่โยมถามก็คือว่า มันอยู่ที่สติปัญญาไหมหลงไหมถ้าหลงมันก็เป็นอัตตาเป็นตัวตนได้แต่ถ้าไม่หลงคุยไปเถอะคุยไปคุยไปคุยด้วยคือมันไม่หลงไงเออไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยเพราะกลัวว่าจะเป็นตัวตนกลัวนะกลัวว่าถ้าพูดแล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวตนถ้าอย่างนั้นเราไม่พูดดีกว่าเราอยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรไอเราพูดไม่ทําอะไรมันก็เป็นตัวตนเหมือนกันเพราะไปยึดอีกฟังหนึ่ง ว่าถ้าไม่พูดไม่ทำอะไรเราก็จะไม่มีตัวตนจุดท้ายเราก็ไปเป็นตัวตนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่ไม่พูดไม่ทำอะไรเลยโอเคถ้าสงสัยก็เอาแค่ถามต่อคือถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็มีสังขารแล้วค่ะถ้ารู้สึกตัวมันก็เห็นถูกต้องว่าไอ้ที่กำลังพูดกำลังถามเนี่ยมันมันเป็นแค่สิ่งถูกรู้เป็นแค่สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาในขณะนั้นคือ ไม่ต้องคิดเลยว่ามันเป็นสังขารไม่ต้องคิดว่ามันเป็นอะไรคือมันเข้าใจรวบยอดไปแล้วไงว่าเออมันเป็นมันเป็นไม่ใช่เป็นเรากันและกันนะเออแบบประมาณนั้นเนี่ยคือเราสามารถที่จะมีมีสังขารได้แต่ว่าเราก็แค่รู้ว่าเนี่ยเรากำลังสังขารอยู่ประมาณนั้นไหมคะคือไม่ใช่ว่าเราเป็นสังขารคือเราไม่มีเนาะมีแต่สังขาร อเออคาพูดตรงนี้ต้องต้องดูดีๆนะคําพูดเนาะเวลาพูดไม่งั้นเดี๋ยวเดียวมันก็จะมันจะเป็นเราไปแต่ว่าพูดเราได้เออแต่ว่าต้องต้องต้องดูดีๆคือคือสังขารเกิดล่ำไปถูกไหมคะใช่ใช่เกิดเกิดดับเกิดดับอ่าอ่ถูกเสร็จแล้วเราแค่เห็นว่ามันเกิดดับมันมีสังขารเกิดขึ้นเราแค่เห็นดูดีๆคําว่าเราแค่เห็นเราเราอยู่แล้วมันมีเราแต่ว่าแค่เห็นจะไม่ให้มีเราทํำยังไงค่ะก็มันไม่มีเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ต้องทําอะไรเออ เพราะว่าโยมก็เข้าใจดีนะว่าความเป็นเรามันไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนานะมันมีมาตอนที่ที่หลงหลงไปยึดถื อ, อแล้วมันก็มีแต่โดยโดยสัจจกของมันแท้เนี่ยมันไม่เคยมีเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่มีก็คือมีแต่ความหลงผิดความเข้าใจผิดแค่นั้นเองถ้าเข้าใจถูกมเมื่อไหร่ก็คือก็ก็กลับสภาพเดิมคือไม่มีเราแต่พอเข้าใจผิดปับ๊บมันก็มีเรามันมีเราเพราะเข้าใจผิด <laughs> เำใหญผิดขาดสติ ขาดปัญญาเลยเข้าใจผิดโ่มรู้สึกตัวเองพูดวนไปวนมาอยู่ที่เดิมนะเจค่ะเอออเอาสมมติอเอาพูดไปเรื่อยๆค่ะแต่โยกเคยมีความรู้สึกแบบนี้ว่าพอเรารู้สึกรู้ตัวทีไรมันก็มีตัวตนตอนเรารู้ตัวนี่แหละอ๋ะ อ, อความรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้ารู้ตัวมันมีตัวตนใช่ไหม พอรู้สึกตัวก็จะรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาค่ะม oh, <that S 2> แต่เพราเราปล่อยปล่อยแบบธรรมดาชิลหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าตัวตนมันหายไปพ eh, ักหนึ่งแล้วพอเดี๋ยวเรารู้สึกตัวขึ้นมาเอ้ยตัวเราวันใหม่อีกแล้วเลยประมาณเนี้ยค่ะเห็นตัวเราขึ้นมาอีกแล้วเลยประมาณเนี้ยค่ะ oh. แล้วก็เมื่อคี้ประกอบกับที่เมื่อคี้ได้ยินยจงจําคําของเขาจริงๆไม่ได้แล้วว่าเหมือนกับว่า อะไรนะโอ้ผมจําไม่ได้แล้วค่ะเหมือนกับถ้าเราไปเห็นมันไม่ใช่เห็นคือเหมือนสังขารมันก็คือนก็เกิดดับเกิดดับทุกสิ่งอย่างอะคะ่ะอืมก็ปล่อยมันเกิดดับไปเรามไม่ต้องไปทำอะไรยมสรุปกับตัวเองแบบนี้นะคะแต่ยมจําประโยคของเขาที่เขาพูดไม่ได้ค่ะยมสรุปถูกไหมอะคะยมว่ามันน่าจะวนเข้าเไาเอ า, เ, อา เ, เดิมนะคะขอ ขอจี้จุดเป็นเป็นปัจจุบันนะค่ะโยมเข้าใจถูกไหมคําเนี้ยคืออะไรอ่ะรวมดูดูดีหน่อยนะคือก็คือก็คือตัวเรานี่แหละเข้าใจเออนึกออกไหมเนี่ยคือมันมันรู้สึกว่ามีตัวเราใช่ไหมขนาดที่บอกว่าโยมเข้าใจถูกไหมมีตัวเราค่ะแล้วนึกทําความเข้าใจกําลังไปทําความเข้าใจโยมเข้าใจถูกไหมนี่แสดงว่ามีตัวเรานะใช่ค่ะนี่แสดงว่าหลงแล้วนึกออกไหม พอเราไม่มี <ลง S 1> แต่โยม <acity S 2> บอกว่าเวเราเออหลงก็ไปเป็นตัวเราแล้วก็พลิกใหม่เช่ว่าไอ้ที่หลงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสังขารไอ้ที่หลงก็ไม่ใช่เราแต่มันเป็นสิ่งที่ปรากฏก็เรียกว่าเป็นสังขารแต่บัดเนี้ยมันตื่นแล้วมันรู้แล้วไม่หลับแล้วไม่หลงแล้วตื่นแล้วเออพอตื่นแล้วมันก็จบจบตรงที่ตื่นรู้นี่แหละว่ารู้แล้วว่าเมื่อกี้หลงค่ะเออมันจบตรงที่รู้แล้วว่าเมื่อกี้หลงเนี่ยแค่เนี้ยจบแล้ว แล้วก็เดี๋ยวมันถ้าหลงใหม่ก็รู้อีกว่าเอ้าเมื่อกี้หลงแล้วเนี่ยแค่เนี้ทุกครั้งที่ตื่นรู้ทุกครั้งที่ตื่นรู้เนี่ยคือตรงเนี้ยคือบรรลุแล้วบรรลุคือมันพลิกเปลี่ยนจากความหลงผิดความเข้าใจผิดเนี่ยมันพลิกหมดแล้วก็เป็นรู้แล้วเป็นเป็นตื่นรู้อะไรเป็นพุทธะไปแล้วอ่ะอออย่างนั้นดีว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไปแล้วขณะที่รู้ว่าหลงเมื่อกี้อ่ะแต่ก็คือแป๊บเดียวเองใช่ไหมจอมค่ะก็จุดเดียวเนี่ยจ๊ดเดียวเดี๋ยวผิดหลงใหม่ก็รู้ใหม่หลงใหม่ก็รู้ใหม่แค่นี้แหละ เออนี่หลวงพ่อก็คุยในระดับที่มันอยู่อะไรนะระดับปัญญาที่อยู่อยู่แบบไปลายๆอะ่ะเราไม่ต้องเริ่มต้นมาเดินจงกรมม้าหนอมาหน อ, หนอไอ้นั้นมันอีกอย่างหนึ่งแต่หลวงพ่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือพลิกจากความหลงให้มันเป็นความรู้นะเออความเข้าใจผิดให้เป็นความเข้าใจถูกค่ะเราก็อยู่เราคือเราให้เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะค่ะลาอีกแล้วอ่าเริ่ม <laughs> เริ่มแล้วเออโอเคเริ่มเ่มแล้ว นะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันได้ประสบการณ์แล้วไงพอบอกเราปับ๊บเอ้ยมันมีตัวเราอีกแล้วแล้วก็เข้าใจทันแล้วก็ต่อไปเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆพอจะพูดปับ๊บถ้าเป็นเราเมื่อไหร่มันความรู้สึกว่ามันมีตัวเราแล้วก็ไปศึกษาตรงเนี้ยแล้วก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเนี่ยอ๋อชนะีเข้าใจน ะ, ะกลับมาหลวงพ่อเลยนะเจ้าค่ะอ่าจะเรื่องก็นี่แหละคือถ้าโยมมีโอกาสได้ยินได้ฟังเนาะเวลามีผู้ถามเนี่ย ทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้ปัญญาเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราก็ไปติดเหมือนกับที่เขาติดนั่นแหละหลุดได้เหมือนกันาการรู้การหลวงพ่อแล้วคุณนุ้ยนุ้ยนะครับค่ะนอกค่ะทํางานแล้วก็ทํางานไปแล้วก็ฟังไปอะไรเงี้ยครับจาั<อ>้นกวงมิชผมไม่ทราบหลวงพ่อยกตัวอย่างที่แบบว่ามองภาพแล้วก็อย่าอย่ารู้อย่าอย่ารู้ตัวนะอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้เป็นสึก ด, ดีอะฮะรู้สึกว่าคนคนจะจะเข้าใจเยอะอะฮะเคสนี้อะฮะ แล้วผมรู้สึกอธิบายได้เอให้คนเขาเข้าใจอ่ะได้ดีขึ้นนะฮ ะ, ะครับยกตัวอ ย, ย่างนะคะเออตัวอยะคุณบอกว่าเออมันเรนง่ายง่ายมันมีไฟล์เสียงเมื่อวานตอนค่าเนาะหลวงพ่อพูดถึงเรื่องเรื่องรู้เนาะว่าคนเข้าใจผิดเรื่องรู้เนี่ยแล้วหลวงพ่อได้ยกตัวอย่างเรื่องรู้จํารู้จากการอ่านจากการคิดจากการฟังในตรงว่าหลวงพ่อว่าตรงเนี้ยดีมากเหมือนกันนะอย่างน้อยก็เป็นช่องทางใน ทางที่ว่าเออคนที่เคยเข้าใจผิดจะได้เปลี่ยนไปว่าว่าความรู้ที่มีเนี่ยมันเป็นความรู้ของมันเป็นระดับไหนอยู่เนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องรู้ตัวปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจแล้วก็จะเถียงว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วแต่หาไม่รู้ไม่ว่ารู้ตรงนั้นอ่ะเราที่ว่าเรารู้แล้วอ่ะมันเป็นการรู้จํารู้อย่างอื่นมาเนาะแต่รู้รู้จริงเนี่ยที่รู้ด้วยตนเองเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันซึ่ง ไม่ใช่เรารู้ด้วยอ่าเห็นไหมือนแต่วันศกาลหลวงพ่อครับก็ฟังมาตลอดครับก็คุยกันเรื่องเดียวนะครับรู้ตัวกับตัวรู้นะครับคุยกันแค่นเงนะม่วนอย่างแค่เนี้ยค่ะแต่ว่าแค่นี้นี่โอ้โหอ act คมันมหาศาลนะใช่ค่ะใช่ไหมครับย่างผมนี่เมื่อก่อนไปรู้ตัวอะไรม่วนอยู่กับอะไรก็ไม่รู้จมอยู่กับความคิด ไม่ไม่มีการเลลึกรู้ตัวได้เลยพอเราฝึกก็เริ่ ม, มลุกรู้ตัวได้มันเจอหลวงพ่อหลวงพ่อให้บอกว่าแล้วใครรู้อะไรอี้พอได้ครับหลวงพ่อตอนนี้พอพอได้แล้วไปฝึกฝึกมา ก, ก็พอเห็นเราเราแล้วครับมันมีเคสของโยมสติเนี่ยก็ทําให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเยอะนะเพราะว่ามันเหมือนกันคือมีเราเป็นเป็นมาค่ะว่ามีเราหลายตัวนะเออมีเราเช่นมีเราเป็นผู้ยืนมีเราเป็นผู้รู้ หรือว่าเวลาป่วยเนาะเวลาไม่สบายมีเราเป็นผู้ไม่สบายแล้วก็มีเราเป็นผู้รู้คือยึดทุกเรื่องเลยอ่ะเพราะนั้นอ่ะปัญหาตรงเนี้ยมันต้องการแก้ที่จะให้เข้าใจถูกและมันหลุดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะขนาดเมื่อวานนี้เราคุยกันจนหมดเวลาแล้ววันนี้ก็คุยต่อแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเออเริ่มเข้าใจขึ้นอะไรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องฟังเนาะแล้วก็ค่อยค่อยค่อยค่แล้วก็จะเข้าใจเองว่ามันไม่ใช่เรารู้หรอกมันรู้ของมันของของยมสตินะขำดีเหมือนกันนะเราบอกว่าเออไปยืนมอง อมองม่านเนาะไม่ต้องรู้ตัวห้ามรู้เด็ดขาดนะโอ้ยยิ่งห้ามยิ่งยุะเลยรู้เอารู้เอาเลยอะ่ะดดูดูกับผมนี้หลวงพ่อให้ดูทีวีดูทีวีดูตัวดูทีวีดูตัวก็โปรแตมันหลุดพ้นอนะมันมันพอได้เหล่าๆหลวงพ่อมันไม่ต้องมีตัวรู้แหละมันไม่งั้นมันเราจะรู้ได้ยังไงมันต้องมีตัวรู้แหละแต่ว่า <c oughs> สิ่งนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ผมว่าก็ทําได้แหละถ้าไม่ลดไม่ละ ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มันคือความจริงอ่ะนั่นคือความจริงก็ ม, ม, ง ม, ม, มีดับมีเสื่อมทุกสิ่งในโลกมีดับมีเสื่อมในสภาวะที่มันเป็นสมมติเนะี่ยผมว่าม่ดับมีเสือ่อมนะแต่ว่า <c oughs> ในโลกของจริงอ่ะนั่นอ่ะเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นนะทำไมรครับหลวงพ่อจริงธรรมชาติเนี่ยนะถ้าเรามองแบบมองมุมกว้างนะอย่ามองแต่ใน <บ S 1> ตัวเรามองมุมกว้างเลยเปิดโลกเลยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็ปรากฏของมันอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ มันปรากฏของมันอย่างผลตกแดดออกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันมันปรากฏของมันอย่างนั้นโดยที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยอ่ะแต่ทีนี้ที่เวลามันมีทุกข์กับเพราะว่ามันมีตัวเราแล้วตัวเราเนี่ยไปยุ่งกับมันพอยุ่งกับมันเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่สมใจอยากใจเราไงเราอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนู้ดมันเป็นอย่างนู้นเราอยากให้เป็นอย่างเนี้ยคือมันมีตัวตนมีตัวเราไปยุ่งกับมันแต่ทีนี้ถ้าไม่มีตัวตนเนี่ยเพราะว่าตัวเราจริงจริงเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันเนาะ ทีนี้ถ้าไอธรรมชาติภายนอกตัวมันก็ไม่มีตัวตนแล้วก็ธรรมชาติที่เรียกว่าไอกายกับจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีที่ตัวตนเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเป็นตนอ่าเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยก็คือมีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งถ้ามันปรุงแต่งในลักษณะที่ให้เกิดเป็นตัวกูเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องต้องรู้เร็วรู้ทัน แต่ถ้ามันมันปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นธรรมชาติปกติไม่ได้มีตัวตนอะไรอันนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งใครเห็นตัวตนได้เร็วเท่าไหร่นะตรงนี้ยิ่งละได้เร็วดับมันได้เร็วแต่ปัญหาเนี่ยไม่เห็นตัวตนนี่ทีนี้ยังไม่เห็นตัวตนนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็โยมก็ขึ้นมาเนาะมันก็ลืม<อ>ดิพอลืมเสร็จก็ทั้งๆ ท, ที่ก่อนนี้หลวงพ่อก็พูดถึงว่าเออความไม่มีตัวตนซึ่งโยมก็เข้าใจนะความไม่มีตัวตน แต่พอเอาอีกหน่อยหนึ่งหนูยังสงสัยตรงนี้แล้วหนูจะเพิ่มหลงพ่อจะบอกหนูอะไรเนี่ยบางทีมันหลงลืมไปไงแต่หลว ง, งพ่อก็หลวงพ่อก็จี้จุดปับ๊บดับเลยเนะดับสนิทความ<ะ>เป็นตัวตนในขณะจิตนั้นน่ะเนี่ยมันอยู่ที่<ะ>ตรงนี้แหละความเป็นตัวตนที่มันเกิดมาเป็นครั้งเป็นคราวเหมือนที่อาจารย์แต่งเพลงที่เราฟังกันตอนปิดรายการอ่ะพอเผลอขึ้นมาตัวกูก็โผล่มพอให้ยเผลอตัวกูก็ดับไป เมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวก็ใช่นะธรรมชาติก็เป็นของเขาอยู่แต่มนุษย์อยากย้ายตะวันออจริงๆย้ายได้ยังไงเขาเขาอยู่เขาอย่างอั้นออตัวเราใจเราเท่านั้นแหละที่ไปเกาะเกี่ยวทิ้ง<ส><ส>ตัวตนเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใจทั้งนั้นครับผมพ<อ>่อรับผมใจเราอะมันพอเป็นตัวตนขึ้นมาก็ใจเราไม่ปกตินะใจเราก็จะไปนั่นแหละคือความทุกข์กำลัมผมว่านะนี้ การจะออกจากความทุกข์ได้เนี่ยมันก็ต้องนอนเซลล์อ่ะเมื่อไหร่ที่เรานอนเซลล์คือผมนี่จะหลุดได้ก็ตอนที่ผมมีมีความเป็นปัจจุบันอยี่ยหลวงพ่อมีสติขึ้นมาของผมก็ง่ายๆว่าพอผมมีสติมีความเป็นปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยณจุดนั้นของเวลามันก็เราไม่เราไม่เอาเรื่องไม่ชอบในอดีตมาคิดเราไม่เอาเรื่องที่กังวลในอนาคตมาคิดมันก็ไม่ถูกแต่มันแป๊บเดียวครับหลวงพ่อนก็ฝึกได้ทุกเวลาทุกขนทุกแห่งนะอื ใช่ครับใช่แล้วก็เออถ้าฝึกดูในการรู้ตัวตนนะผมก็ให้ข้อสังเกตนะสมมติว่าพอตัวตนเนี่ยมันมักจะเกิดตอนที่อยู่กับคู่สนทนาแหละไอ้ตอนอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดตัวตนอะไรแต่พออยู่กับคนนน้นคนนี้มันเกิดขึ้นในระหว่างการพูดคุยสนทนาทีนี้ให้สังเกตสมมติว่าตัวเราพอคนอื่นเขาตาหนิติเตียนนะอาจจะชมก็ได้หรืออาจจะตําหนิติเตียนในในแง่ที่แบบมันไม่ถูกใจเราอ่ะ ความเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็แสดงออกถึงการารักตัวเองคุ้มครองตัวเองนะคุ้มครองตัวเองคือเหมือนกับว่าพราะมันเป็นตัวตนนี่มันก็ต้องเวลาพูดมันก็ต้องพูดด้วยด้วยหลักการที่ว่าคุ้มครองให้ตัวเองดูดีให้ตัวเองไม่ผิดตัวเองมีแต่ถูกแล้วตรงนี้ให้สังเกตเถอะมันจะขึ้นมาคือไม่ได้ห้ามนะให้มันขึ้นก่อนแล้วก็จะเห็นแต่ถ้าเห็นปป๊บเนี่ย ยิงนักปฏิบัติมันก็จะจะเพลาลงเช่นสมมุตินะเราเราเอาอย่างนี้ก็ได้เอาสมมตินักปฏิบัตินะถึงขั้นแบบความรู้สึกว่าเขามาไกลแล้วแหละทีนี้พอเจอกันปั๊บมีการทักกันบอกว่าสมมติวอย่างอย่างโยมอำนาจเนาะเจอหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อก็อาจจะพูดพูดชมไปก่อนบอกโยมอำนาจนะเดี๋ยวนี้เนาะโอดีขึ้นเยอะนะปฏิบัติโหมีความก้าวหน้าแต่แต่โยมยังมีตัวตนอยู่นะสมมติหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนาะตรงนั้นแหละพอหูได้ยินเสียงปั๊บแค่นั้นแหละ มันจะย้อนแย้งทันทีเลยมันบอกว่าผมไม่มีแล้วหรืออาจจะผมผมคือมันจะมีเหตุผลที่จะจะจะอ้างเพื่อลบรางคําพูดของหลวงพ่ออนะอันนี้แค่สมมติเนาะไอ้ตรงนั้นแหละไอ้ให้เห็นตรงนั้นแหละว่ามันเกิดเป็นตัวกูและตัวตนแล้วแล้วก็จะเอามีการปฏิเสธว่าเราไม่มีแล้วถึงมีเราก็มีน้อยอะไรเนี่ยนั่นแหละแสดงว่ายังมีเราอยู่ดีแหละเออครับแล้วมันมันจะเกาะเกี่ยวไปเรื่อยครับหลอชพอมันมันมีตัวป้องกันตัวขึ้นมาทีนี้มันมันเกาะเกี่ยวมันก็จะอ มันจะเป็นความคิดตอบความคิดที่มันจะใช่ใช่ใช่เลยความคิดโอ้โหรัวเลยอ่ะใช่ครับมันจะมาเป็นชุนๆที่มันก็เกิดดับนะความคิดเกิดดับแต่ทีนี้ถ้าไม่ถ้าไม่เห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ยแหวนความว่าไอความเป็นตัวตนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เนาะไม่ไม่ถูกเหาบอกว่าไม่ถูกย่อยสลายมันไงแต่ถ้าเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยต่อไปพอมันเกิดอีกก็จะเห็นแล้วมันจะมีประสบการณ์คือมันมันเหมือนกับว่ามันจําสภาวะความเป็นตัวตนได้ไงแล้วมันก็จะรู้เร็วละเร็วรู้เร็วเห็นเร็วอย่าเงี้ย ซึ่งมันต้องมีมันต้องมีให้เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันความเป็นจริงเนี่ยความเป็นตัวตนเนี่ยมันเคยมีมาแล้วไงคือมันเคยยึดถือเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันมันอย่างไรมันก็ต้องแสดงออกถึงความเป็นตัวตนอยู่ดีเพราะนั้นให้รู้เร็วละเร็วเนี้ยอย่างนี้แหละมันเลยแหละเรียนขั้นตรงนี้มันจะมันมากเลยความรู้สึกเอ้ยมันมาแล้วเออเลยเนี่ยคำคำมันเมื่อก่อนเนี่ยผมผมเป็นคนสงขานะผมเคยขับรถขึ้นมาสมัยโน้นเนี่ยนะผมก็สมัยผมยังเป็นวัยรุ่นนะ ถอยไปเกือบสี่สิบปีก็ก็เคยไปสวนมงคาจากสองขาขึ้นมาสมัยก่อนรถบรรทวนกปสองเลนอนะ่ะเคยแวะที่สวดมงก็เคยตัวกูของกูอะไรเนี่ยที่ที่ท่านุาทธาสเขนะียนมาเมื่อก่อนผมไม่ไม่ไม่ไม่เ ก, ก็ดหลวพอก็เดี๋ยวนี้พร้อมยิ่งมาฝึกกับผมพ่อนะเออผมว่าผมเก็ตแล้วนะ <c oughs> ทุกคนสมัยก่อนอะไรอยงงร่างเงี้ยอืม ท่านผู้ว่ก็บอกอย่าห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเราก็อหรือผมยังเด็กอยู่ไม่รู้หรือผม่รยุ่นอยู่ก็ไมแต่ตอนนี้พอมันเราเหมือนเราได้มาฝึกรู้ตัวเอแล้วมาได้คุยกับหลวงพ่อสอนนาหลวงพ่อก็พอได้หลวงพ่อเราละเปิดตัวเห็นไ้ตัวเห็นอชอบเสรสมปัญญาไปรู้แบบชัดเนี่ยนะมันจะได้ยินว่าเป็นคํำๆเลยนะค่ะหลวงพ่อมีอะไรเสริมต่อไหมคะกําลัง ดูธรรมชาติอยู่ได้พักได้พักเมื่อกี้เออมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นการอะไรนะเขาเรียกว่าทํางานไปด้วยแต่พักผ่อนไปด้วยพร้อมๆกันไปอ่ะเนาะอืมมันก็เออไม่ไม่ไม่ลำบากทาาขันเกินเนี่ยอย่างโยมคุยเนาะแล้วหลวงพ่อก็นั่งอย่างนี้นั่งเฉยๆก็ให้มันธรรมชาติมันรับรู้ของมันไปเนาะรู้นอกรู้ในมันให้มันรู้ตามที่มันรู้ว่าไม่ต้องแสวงหา เออไม่ไม่มีความเหนื่อยเลยเป็นการพักจริงๆเลยอ่ะทีนี้ชีวิตคนเนี่ยที่มันเหนื่อยเพราะว่ามันดินน้นรนมันก็คือมันดิ้นรนคือจะไปหาอ ะ, อะไรก็ไม่รู้ทั้งๆที่เช่นบอกว่าจะไปหาทางพ้นทุกข์แต่ยังไม่รู้เลยว่าพ้นทุกข์อยู่ไหนเนาะก็หาการหาแบบเนี้ยมันเหนื่อยไงแต่ทําไมต้องหาก็เพราะยังไม่รู้ไงว่าถ้าหยุดหาแล้วมันหายเหนื่อยแต่ทีนี้ก็ต้องใช้เวลาเนาะเมื่อไหร่จะรู้แจ้งว่าเออการหยุดหาแล้วคือคือจบ วันนั้นมันต้องหาก่อนให้เหนื่อยก่อนแล้วแล้วก็รู้เองอ <laughs> ะ<า> <laughs> เวลาหานะลองลองลองนึกภาพดูสิเนาะมันจะมีผู้ผู้สแสวงหาผู้สแสวงหาแล้วก็ไปผู้สแสวงหาก็ไปหาอะไรไม่รู้ที่อยู่ข้างหน้าเนาะทั้งๆที่ท<ม>ยังไม่รู้จักเนี่ยก็หาไปเรื่อยหาไปเรื่อยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีผู้สแสวงหาก็เรียกว่าตัวเราอัาแหละไม่ใช่ใครหรอกอืมแต่ไม่ได้เห็นว่า คือมันเป็นอวิชชาเนี่ยอวิชชาตรงที่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นแค่สังขานเป็นธรรมชาติแต่พอความไม่รู้ปั๊บเนี่ยมันก็มายึดเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เพราะมันรู้สึกว่าตัวตนเนี่ยตัวเราเป็นทุกข์เนาะตัวเรามีทุกข์อ่าแล้วก็เป็นอย่างนี้เสร็จก็เมื่อมันเป็นตัวตนแล้วเนี่ยมันก็ดิ้ น, นดิ้นดิ้นหา หาไปก็เหนื่อยไปแต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่า huh. น anyway, um. huh. <Yes ี่น nice ี่อย่ามอดแต่หานี่นี่แสวงหาตัวอะไรนะที่เดียวมโนวย่าเแสวงหาตัวเองพบตัวเองนี่อ่สุดท้ายก็จบแล้วก็บรรลุธรรมกันนี่เนี่ยทีนี้ก็ลองนึกถึงตัวเราเนี่ยตัวพวกเราเนี่ยกาลังหาอะไรล่ะตอนเนี้ยถ้าพบผู้หาเนี่ยแล้วก็ให้รู้ว่าผู้หาเนี่ยจริงๆมันมันเป็นหลังขาเนี่ยเออแล้วก็มันไม่ใช่เราพอรู้ว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันจะหยุด หยุดปรอโมไม่มีแล้วก็จะไปหาอะไรอย่างเออวันก่อนจะหน้ากับหลวงพ่อเนี่ยมีบางท่านก็จะหลุดมาหาผมนะบอกว่าเอ่อเขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจอะไรหลายอย่างเรื่องธาตุทั้งสี่อ่ะหลวงพ่อที่ผมได้ถามหลวงพ่อครับว่าจริงๆร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นะครับนี่หลวงพ่อบอกว่า ดินก็เป็นกระดูกใธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็นั่นเลือดน้าลายอย่างงี้ใช่ไหมลมเนี่ยเราก็มีแล้วลมเลอบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไฟก็คือเวลาเราไม่สบายตัวร้อนอะไรเงี้ยเอ๊ะเรื่องเนี้ <c oughs> ยผมว่าหลวงพ่อแบบยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยเขาเขาเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจอย่างบางน้อยผมว่าเขาเขาเขาเข้าใจนะแต่เอ่ แต่การจะไปเห็นว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เนี่ยแบบแบบลึกอะไรเนี่ยผมว่าแบบชัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องต้องต้องต้องฝึกสักพักหนึงก่อนผมแล้วก็เห็นเป็นสังขารเห็นเป็นสภาวะเห็นเป็นธาตุเนี่ยโอ้ผมว่านั่นนะครับน่าจะเป็นสภาวะนอนเซลล์ได้นะครับก็อ่านเอาก็ไม่ได้นะหลวพ่อ มันคนละสาพว่างนี่อ่านมันไปอีกเรื่องนึ่งไม่ได้ครับคิดในหัวแตกมันก็ไม่มาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่มีทางเลยครับสําหรับผมนะไอ้นี้ผมขอสะท้อนสำหรับตัวผมเพ<ม>บาอาจจะมีบางท่านที่อาจจะเอสามารถเลยอ่านได้แต่วผมไม่สามารถที่จะไปกล่าวถึงคนอื่นได้อผมสะท้อนตัวผมอย่างเดียวละที่คุยเนี่คิดในหัวแตก อ, าจจอ่านในหัวแตกก็ไม่ได้ครับผมง็้นี่มันก็นี่แหละครับว่าไม่รู้ว่ามันเป็นวารัหรือเปล่าผมาเป็นจังหวะ ช่วงหนึ่งชีวิตผมที่ผมได้เจอเนี่ยเออมันก็แปลกดีเหตุปัจจัยไหมหลวงพ่อืหมุปัจจัยเหตุปัจจัยไม่ไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่บังเนนะ อ, งอิญนะหลวงพ่อเหตุปัจจัยครับว่าทําไมผมต้องไปสมัครเข้าขับพ า, พาทําไมหลวงพ่อถึงต้องมาแล้วคุณน้องหนุยนุ้ยก็ไม่เคยรู้จักหลวงพอ่อมาก่อนก็มาช่วยเป็นมอสให้เงี้ยแล้วคนในห้องเนี้ยไม่รู้มัน คุณจา ก, กันหลวงพ่อก็ไม่หม่เคยรู้จักกันด้วยหลวงพ่อในนี้หลวงพ่อไม่รู้จักใครสักคนไงนถ้าดูนะก่อนเนี้ยไม่มีเลยแต่มาคุยในเรื่องเดียวกันหลวงพ่อก็มากล่าวทําให้ในจริงๆตรงนี้ก็ว่าไปแล้วก็อืมเป็นแบบเป็นแบบอืมของแบบที่แบบว่าถ้าเข้าใจปุ๊บนี้ก็โอ้ได้เลยครับหลวพ่อซึงก็ครับไม่มีความบังเกิดครับ แก่เป็นเหตุปัจจัยครับผมเรื่องเออเนาะการให้เกิดปัญญาเนาะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยบางทีทําไมสอนเรื่องาธาตุทาไมสอนเรื่องอายตนะบางทีทําไมต้องสอนเรื่องขันห้าเนี่ยจริงๆมันเรื่องเดียวกันหมดอหะแต่เพียงแต่ว่าท่านมองว่าบางที ถ, ถ้าถ้าสอนในแนวนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่เข้าใจเนาะก็เลยสอน<ค>แนวนั้นแต่พอสอนแนวนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจอีกท่านก็สอนแนวนั้นแต่จริงๆอ่ะทุกอย่างมันเรื่องเดียวกันหลวงพ่อจะ จะลองยกตัวอย่างบางอย่างนะสมมติว่าเราเรียนรู้เรื่องธาตนะุเนาะธาตุเช่นธาตุดินก็คือความแข็งนะมีคุ ณ, ณสมบัติคือแข็ง ก, ก็เรียกว่าดินแท้ในร่างกายของเรามันมีอะไรบ้างที่เรียกว่าแข็งก็พวกเนี่ยพวกเนื้อพวกหนังพวกเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนะ่ะที่มันมีลักษณะเป็นกายอน่ะอันนี้พวกนี้แข็งครับทีนี้อ่ า, า, าพวกน้ําบอกว่ า, าบอกวา่าบอกเส้นผมนี่แข็งวอลเล็กนะครับเออใช่ทีนที้น้ําก็เป็นของเหลวเนาะมันก็เป็นธาตุน้ําธาตุน้ํามันก็อยู่ เต็มพื้นที่ไปหมดอะทุกคนทุกแห่งมันก็มีน้ําน้ำนี่ก็คือสิ่งเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็คือน้ําเพียงแต่ว่าที่อยู่เนี้ยตอนนี้มันมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้อ่าก็คือน้ำอ่าทีนี้เอาดินน้ําไฟความอบอุ่นความร้อนความอะไรเนี้ยนะอ่าลมก็มีก็คือในร่างกายมีลมหายใจมีลมตดลมเลอละอะไรก็ว่าไปนะแล้วในในเนี้ยในเส้นเลือดในเนือ้อในหนังนี้มันมีลมแทรกหมดอะนะเป็นช่องว่างที่จะให้ทุกอย่างขับเคลื่อนได้อย่างเนี้ย อ่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้โอเคถ้าเราพินอารมณ์มันก็ง่ายดีเหมือนกันว่าอ๋อในเมื่อมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเพราะบางทีเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงน้ําที่มันอยู่นอกตัวก่อนก็ได้ว่าเออเรารู้จักรู้จักแต่น้ําที่อยู่นอกตัวกับน้ําที่อยู่ในตัวคือน้ําเดียวกันอืแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าเออใจมันยอมรับได้นะว่าอ๋อมันเป็นธาตุาธรรมชาติมันไม่ใช่เราอย่างไงยมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วอ่ะมันก็เข้าใจง่ายแต่ทีนี้อ่าพอมาพูดถึงเรื่องขันห้าเนาะมันจะมีรูปใช่ไหม รูปก็คือธาตุดินไงอืมแต่ท่านใช้เปลี่ยนชื่อว่าเป็นรูปจริงๆอ่ะไอ้ไอ้ธาตุดินน้ําไฟลมน่ะเขาเรียกว่าเป็นมหาปูตรูปใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้แต่ก็คือก็คือกายนั่นแหละคือสิ่งเดียวกันแต่พอมาพูดขันห้าท่านไม่ได้พูดถึงเป็นคือท่านไม่ได้พูดเป็นธาตุแต่ท่านพูดเป็นเป็นเป็นขันคือรูปประขันแต่ก็คือสิ่งเดียวกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอ่ะแล้วก็พอมาพูดถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพวกเนี้ย มันก็เป็นเรื่องของวิญญาณาธาตุหมดเลยวิญญาณธาตุที่มาผสมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลหอ่าเพราะอ่าถ้าพูดถึงเรื่องาธาตุคือวิญญาณธาตุแต่ถ้าพูดถึงนา ม, ม ans, ธรรมสี่ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็คือมาจากอะไรนะมาจากวิญญาณธาตุอ่าเพราะนั่นเนี <flu> ่ยนะสรุปแล้วก็คือเรื่องเดียวกันแต่ชื่อหรืออะไรเนี่ยมันแตกต่างกันไป อาทมาพูดถึงพระพุทธเจ้าครับท่านท่านบาบหลุษท่านจำแนกใช่ไหมหลวงพ่อท่านจำแนกให้ว่าอย่างแบบเรื่องของจิตเนี่ยท่านก็จำแนกให้เราเห็นเป็นเป็นเป็นในรูปของของของนามใช่ไหมหลวงพ่อในสังขารสัญญาอะไรเนี่ยอะไรท่านบอกใช่ไหมจะแสดงก็คือท่านจำแนกให้ใช่ไหมส่วนกายเนี่ยท่านก็จริงๆก็นั่นแหละครับก็ขันทาขันท่านี่ก็คือส่วนของกายคือดินน้าลมไฟมันมุเข้าใจถูกอลวงพ่อ สินี่พอที่ท่านจําแนกเนี่ยนี่หลวงพ่อโดยความเข้าใจของตัวเองนะว่าที่ท่านจาแนกอันนั้น่ะเป้าหมายมันคืออะไรเพื่อละความเห็นผิดเพราะว่าถ้าไม่ไม่แยกไม่ซอยเนี่ยคนก็กจะหลงผิดว่าเออเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นเราเป็นเราเป็นเราเนเาะแต่พอท่านจําแนกออกไปเนี่ยเออปัญญามันก็จะเกิดว่ามันเป็นเราไม่ได้ไงเพราะมันเป็นแต่ละอย่างเแต่ละอย่างเนาะแล้วก็พูดถึงความแปรปรวนอะไรเนี่ยอื ทีนี้นพูดถึงอยายัดนะก็เหมือนกันลองดูก็เพื่อสลายความเป็นเราอีกเหมือนกันอยายัดนะก็คือมันมีหูหูก็คือมีกายนะหูตาจมูกลิ้นกายนี่ก็คือรูปหรือว่าก็ธาตุสี่กันแหละแต่ว่าท่านเรียกเป็นอยายัดนะภายในหูตาจมูกลิ้นกายและอยายตดนะภายนอกไอ้พวกนี้มันไม่ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันไม่ใช่เราอยู่แล้วเช่นรูปรสกลิ่นเสียงมันไม่ใช่เราไอ้ น, นี่เข้าใจง่าย แต่ว่าพอมันมากระทบกันเนาะมันเกิดการวิญญาณรับรู้ขึ้นมาวิญญาณทางหูตาจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วลักษณะของมันคือมีความไม่เที่ยงหมดเกิดดับหมดแล้วก็อย่างเนี้ยจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงเห็นไหมเป้าหมายมันคือไปสู่หน้าตาไปสู่เรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาหมดเลยอ่าทีนี้เราบางทีเราเราก็ได้แต่ความรู้พวกนั้นแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแยกกัะเนาะ วันนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าที่แยกก็เพื่อเพื่อสลายความเห็นผิดเพื่อสลายอัตตาตัวตนว่าอัตตาตัวตนไม่มีมีแต่ธาตุมีแต่กันนา ม, มีแต่อายตนะเออแล้วก็มีอะไรอีกที่ท่านยกตัวอย่างก็ก็หลายเรื่องอ่ะเนี่ยเนี่ยก็ประมาณอย่างเนี้หลวงพ่อครับสัพยสิทธินี่ก็คืออวิชชาใช่ไหมอ๋อมันต้องมีอ ว, วิชชาก่อนถึงถึงถึงเป็นตรงนั้นแต่ถ้าดับอ ว, วิชชาไม่มีอ ว, วิชชาแล้วเนี่ย มันก็มันก็ละหมดแล้วคือไม่ไ ม, ไม่ยึดถือไม่เข้าใจผิดก็อวิชชาเป็นเป็นเป็นเหตุให้ให้มียังละไม่ได้ที่ละสังกายะทิติไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชชามามาบังอยู่ครับก็เป็นยังที่ผมอ